เห็นโลกทั้งหมดเหล่านี้โดยความเป็นของศูนย์ศูนย์เปล่าในที่นี้แปลว่าศูนย์หม้อเปล่าไม่ใช่ไม่มีหม้อใช่ไหมนี่บ้านเปล่าน้ําเปล่ามีน้ำแต่น้ําเปล่าน้ําเปล่ามีแต่แก้วเขาไม่เรียกน้ําเปล่าแล้วก็เรียกแก้วเปล่านะนั้นคําว่าเปล่าไม่ใช่วัตถุนั้นไม่มีเช่นโลกหนึ่งสองสามจนถึงโลกสิบแปดโลกมีอยู่แต่เปล่าเปล่าจากอะไร เปล่าจากสิ่งที่เดรัจฉีหรือคนพานคิดขึ้นเดรัจฉีคิดว่าอย่างไงเดรัจฉีเขาคิดว่าเป็นอัตตาเป็นของอัตตานี่นะเดรัจฉีเขาคิดอย่างนี้เอาแล้วคนพานคิดยังไงคนพานคิดว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนอันนี้คนพานเนี่ยคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เห็นให้ว่างจากแบบเดรัจฉีคิดว่างจากแบบคนพานคิดสรุปคิดเป็นยังไงก็คิดว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยนะ มันอย่างจุดประสงค์เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วก็ไปเข้าหลัก เ, เข้าหลักอุบายต่อไปเมื่อเห็นตามนั้นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายใช่ไหมเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกําหนัดอันนั้นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คือตรัสรู้อริยสัจได้อย่างแท้จริงหรืออุบายอีกคำหนึ่งนะสทาสโตเนี่ยสทานี่แปลว่าทุกเมื่อสโตแปลว่าเป็นผู้มีสติ นันผู้มีสติเจริญกรรมฐานทุกเมื่อเจริญกรรมฐานทุกเมื่อนี่ทำยังไงก็คือเจริญเช่นก่อนอาหารหลังอาหารตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนปฐมยมมมัยชิมมยามชิมปัยมชิมมยาชิมตอยข้างขม้นตอนข้างแรมเชชิมมัยมัชชรมมัยมัชชิมมัย้ัชิมมัยอนชิัย ต, ตันวัยมัชชิัยมัชชิัยมัชชิมมยมัชชิมมัยมรชชิัยมัชชิยิมมัิ ต้องเจริญให้มากเจริญให้บ่อยบอกว่าสัพพทาสติกิริยายะตังสุญญตาทัศนังสัมปั จ, จตีติเนี่ยนะรั้นผู้ที่มีสติมีปัญญาพิจารณาเนี่ยนะขันห้าโดยความเป็นอนัตตาหรือความเป็นของว่างก็ทําให้มันต่อเนื่องตลอดการทุกเมื่อเนี่ยนะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคิดได้ทีหนึ่งโอ้แคิดได้ทีหนึ่งนะในยุคนี้กําังเ่นพวเก่งเลยนะวันหนึ่งนึกได้ครั้งหนึ่งนะแต่ยุคนี้นะี ยกข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะที่เดชะฉานกระถาครื่องฟูขนาดเนี้เนี่ยถางพระนี่แพ้หมดอะนะพวกขวางพาไปหมดนะมันก็พยายามเอาให้บ่อยเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะจริงนะถ้ามีกรร ม, มสกตาสักนิดหนึ่งจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของเฉพาะตัวใช่ไหมถ้าเราเจริญและเจริญเผื่อคนอื่นได้ไหมถ้าได้นะพระพุทธเจ้าเผื่อเราเรียบร้อยแล้ว mm. พระ อ, องค์เผื่อได้เนี่ย มาสนนากับผู้การนะบอกรุ่นเรานะีรุ่นเขียนจดหมายฝากไว้อย่างเดียวสมมุติถ้าใครจะมีหลานในยุคหน้ามันก็เปาะกระแตกใช่ไหมรู้่ะคุยกับมันไม่รู้เรื่องอ่ะ น, นะสมมุติถ้าเรามีหลานเนี่ยซึ่งเราเองก็จะตายวันตายพุ่งอ่ะจะทํายังไงจะฝากอะไรไว้ให้หลานเนี่ยเขียนจดหมายไว้อย่างเดียวนะตอนนี้แนะนำมันไม่ได้นะรุ่นเราทั้งหลายก็เหมือนกันอนะ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระไตรปิฎกคือจดหมายจากพระพุทธเจ้าส่งถึงเราเลยนะนั่นก็รุ่นใช้จดหมายอย่างเดียว แล้วก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าจดหมายฉบับนี้ผูไปอีกเนี่ยนะก็แย่เลยนะอดเดียท่านนี้ยนะไม่อ่านจดหมายเลยนะพระพุทธเจ้าเขียนถังเราไว้ยังไงบ้างอะนะก็หน่กกรุณามากอะนะทีนี้ต่อไปว่าเทศนาว่าบุคคลถอนถอนในท่นี้คือตัดขาดซึ่งส ก, กายะทิฏฐิ ด้วยมรคยานพึงข้ามพ้นวิสัยแห่งมัจจุราชได้ด้วยวิธีนี้ถ้าสกายติถิเฉยๆเนี่ยอันนี้ต้องมรคที่ละสกายติฐิโดยเด็ดขาดคือโสดาปฏิมรคถ้ามรคละสกายะคืออรหัตมรคสกายะนี่เป็นชื่อของอุปาทานขันห้าสกายะนะแปลว่ากายของตนเนี่ยแต่ถ้าทิฐิคือทิฐิที่ไปสำคัญขันห้าว่าเป็นตนหรือเป็นของตน แต่ถ้าเป็นส ก, กายะเฉยๆหมายถึงอุปาทานขันห้าแต่ถ้าบวกกับส ก, กายะทิฐิเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงทิฐินะสับนี้หมายถึงทิฐิแต่ถ้าแยกกันเนี่ยส ก, กายะหมายถึงขันห้าทิฏฐิหมายถึงมิจฉาทิฐิอันะมิจฉาทิฐิไปสําคัญขันห่าว่าเป็นตนว่าเป็นของตนนั่นเองอันผู้ที่มีสติเนี่ยนะหรือผู้ที่ถอนถอนคือตัดขาดตัดขันห้าเนี่ยตัดยังไง ตักคือการละฉันทราคะในขันหเนี่ยนะเคยได้ยินนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเธอละแล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนั้นคำว่าละตรงนั้นแปลว่าละฉันทราคะอีกโซดหนึ่งบอกว่าตาหูจมูกิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจเสีย น, นะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เธอละฉันทราคะได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะนั้นผู้ที่ตัดฉันธราคะถอนสักกายะคือความยึดถือในอุปาทานขันห้าด้วยอริยมรรคอย่างนี้เนี่ยจะพ้นจากวิสัยแห่งมัจจุมน์คือจะพ้นจากความตาย คำว่าตายในที่นี้เนี่ยตายเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเกิดใช่ไหมเกิดจากแก่ถ้าเกิดแล้วก็แก่ถ้าแก่แล้วก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้ตายก็ต้องไม่ไม่เกิดถ้าจะไม่เกิดก็ต้องถ้าไม่เกิดนะก็ต้องตัดฉันนราคะที่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดเนี่ยนะถอนรากถอนโคนเนี่ยนะนี่ต้นไม้พันนี้มันมีอยู่สามรากอะที่ควรถอนรากไหน โลภะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นรากอนะก็มีอยู่แค่สามรากเองนะจริงรากแก้วมีอยู่เท่านั้นนะแต่แต่แตละรากนี่เหนียวแน่นมากนะก็เมื่อก่อนนะเจอบอกว่าพ อ, องแต่ว่าดูความพิสูจทั้งหลายเธอจงตัดป่าอจงทาลายป่ากิเลสที่เป็นเหมือนป่าเธอแต่อย่าตัดต้นไม้เมื่อก่อนนะฟังสูตรนี้ก็เฉยๆกันนะบอกว่ากิเลสประดุดป่าเนี่ย นี่พอไปอยู่ในป่าแล้วแล้วมาคิดดูจริงๆเออใช่ทำไมผูธเจ้าอุปมากิเลสประดุดป่าคือป่าเนี่ยนะเถาวัลย์มันพันกันยุ่งไปหมดเลยนะถ้าให้เราเดินลัดมันรู้จะเดินไปยังไงเนี่ยนะมันรู้จะแหวกออกไปได้ยังไงทีนี้ในนะนะทุกทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยหันไปทุกทิศนะถ้าจะลากิเลสในวัตถุที่เราไปเห็นในทุกทิศที่เห็นเนี่ยมันเหมือนป่าจริงๆแล้วทุกอ่างทุกอย่างมันก่อให้เกิดการผูกพันเนี่ยนะก็สมนวนว่าเป็นที่ตั้งแห่งฉันธราคะหมดเลยอ่ะ เป็นที่ตั้งแห่งอภิชากโธมนัตไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสเนี่ยมันเป็นประดุลป่าจริงๆนะถ้าในป่านี่ยไม่รู้จะออกมันได้ยังไงนะแล้วก็มีน้ํามีอะไรเป็นต้นด้วยเนี่ยในป่าคือกิเลสที่ที่ไปรับอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันถ้าไม่เจริญไม่อบรมจนเพียงพอนีย่ยากที่จะผ่ามันได้แต่ว่าอย่าผ่าเลยเผามาเลยเผาเสียด้วยไฟคือยานใช่ไหมเออไฟคือยานเนี่ย มันเกณนการเผากิเลสจริงๆเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไปดูไฟเผาป่ า, าไปดูที่ไหนหรู้ไหมข้างหน้ากุฏิไม่กี่วาร์หลักไฟเผาป่าจริงๆริเห็นเขา้าเอ๊ะไฟตรงไหนที่มันไหม้แล้วนะเราก็ไม่เห็นไปหวงมันเลยใช่ไหมไม่ต้องกลับไปดับในที่ที่มันเผาแล้วอันนั้นเมื่อไหร่จะเห็นทุกขศาสตร์เหมือนกับพวกเชื้อเพลิงเหล่านั้นเมื่อไหร่ที่จะเห็นวิปัสสนาเหมือนกับไฟเนี่ยนะ ที่ใดที่ไฟคืออริยมรรคเผาแล้วที่นั่นจะไม่ต้องเผาอีกเพราะอะไรเพราะเยื่อใย ห, หรือยางเหนียวที่อยู่ณนะที่นั้นๆเนี่ยตัดขาดหมดแล้วถ้าหากว่าสามารถเจริญวิปัสสนาในอุปาทานขันห้าจนตัดฉันธราคะได้อีกแล้วเนี่ยนะทั้งคำว่าฌานก็แปลว่าเผาทั้งทำยังไงที่จะเผารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเผาด้วยไฟคือยาน เาว่ายัางไงเผาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์กับเป็นอนัตตาไอ้คาว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะมันเป็นคําที่กว้างใหญ่ไพาศาลใช่ไหมถ้ารู้จริงไม่เที่ยงละอะไรทวนอีกครั้งถ้ารู้ไม่เที่ยงจริงต้องละมานะนะถ้าบอกว่าเออเราเนี่ยรู้รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นไม่เที่ยงอ่ะถ้ายังละมานะไม่ได้แสดงว่ารู้ไม่จริงถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์จริงต้องละตัณหาได้ถ้ายังชอบใจอยู่แสดงว่ารู้ไม่จริงรเ น, ง น, งยยงงนี่ยนะ ถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาได้เนี่ยนะถ้าอนัตตานุปัสสนาเป็นต้นไม่เกิดก็แสดงว่ายังไม่ได้รู้อนัตตาอย่างแท้จริงอะไรเนี่ยนะถ้ายังถอนทิฏฐิทิฏฐิหกสิบสองเป็นต้นไม่ได้ก็แสดงว่าถือว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เพียงพอนี่ยเรมีบางคนเขบอกรู้อยู่อะ่ะแต่ว่ามันทําใจไม่ได้รู้ไม่จริงอ่ะรู้ไม่พอนะถ้ารู้ถ้ารู้เฉยๆอย่างเดียวพอไหมถ้ารู้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะ ถ้ารู้ใช้เฉยเขาจะไม่เรียกอ น, นุปั ส, สนาหรอกเพราะอ น, นุตัวนั้นแปลว่าบ่อยมากบ่อยจริงๆบ่อยแค่ไหนสติปัฏฐานบอกเจดปีอะเจ็ดปีไม่ใช่คิดวันนี้วันหนึ่งแล้วก็อีกปีที่เจดนะคิดอีกครั้งหนึ่งโอ้ยไม่เรียกอย่างนั้นหรอกเขาหมายถึงว่าหน่วยปริมาณของการคิดเนี่ยให้มันสืบเนื่องกันสักเจ็ดปีเนี่ยนะตามเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นัตตาต่อเนื่องกันเจ็ดปีอันนั้นไมเกินสองพันวันเนาะเจดปีเนี่ยนะ ก็ถ้าได้สนาดนั้นก็บแจวละไม่แน่นะอถ้าทําได้อย่างนี้ก็พ้นจากวิสัยแห่งมัจจุมานเนี่ยนะก็ไม่ปฏิสนธิณภพต่างๆคือถามว่าทําไมอถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วห้ามตายได้หรือมัจจุมานคือความตายใช่ไหมไอห้ามตายไม่ได้ห้ามตายชาตินี้มันห้ามตายในชาติต่อๆไปที่จักปฏิสนธิเนี่ยนะถ้าตายชาตินี้เนี่ยนะมันมีใครห้ามได้หรอกสัพเพเรยัง ยังไม่เหลือเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครห้ามตายได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นผลนะถ้าปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้ได้ก็พ้นจากมัจจุคือความตายอันนี้หมายถึงผ้าหานที่ดับขันปรินิพานแต่ถ้าผู้ใดปรารถนาว่าขอให้เกิดอกีกก็เท่ากับว่าปรารถนาขอให้ได้ตายอีกเนี่ยนะปรารถนาเกิดก็เท่ากับปรารถนาตายเนี่ยนะเพราะว่าความตายก็คือสิ่งที่มีหลังจากเกิด ผู้ที่จะปรารถนาะความพ้นจากความตายก็ขอให้พ้นจากความเกิดแล้วรู้อย่างแล้วเกิดมาจากไหนมาจากกรรมทํายังไงกรรมมันจะสิ้นไปพระองค์ตรัสกรรมมาสมทานไว้สี่ประการใช่ไหมกรรมดํามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวก็มีวิบากทั้งดําทั้งขาวกรรมไม่ดําไม่ขาว ให้ผลไม่ดำไม่ขาวและเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมอากุศ ล, ลเจตนาสิบสองเป็นกรรมดำที่มีวิบากดำมหากุศลเจตนารูปราวจรอรูปราวจรเจตนานี่เป็นกรรมขาวให้วิบากขาวเนไหมถ้าถ้าทำกุศลและอักุศลสลับกันเหมือนพวกเราทั้งหลายล่ะก็ทำทั้งดำทั้งขาววิบากก็จะทั้งดำทั้งขาวใช่ไหมบางทีพวกเราก็วิบากมันก็เป็นอย่างนั้นนะทวารตาดีดทวารกายร้อนมาก มีไหม น, น, นะนะทวารทวารกายนี่ป่วยมากแต่ทวารตาดีมากเพราอยโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเนี่ยนะมีทีวีให้ดูทางตามีมเพลงให้ฟังทางหูมีอาหารอะไร อ, อร่อยแต่ว่าปวดหัวตัวร้อนอย่างเงนะก็ดีคนละทวารทวารไปนะพระยะมนุษย์ทั้งหลายก็กลุ่มที่ทั้งสุขทั้งทุกข์นะถ้าเป็นอาหารก็แบบรสหวานผสมขมอ่ะนะทั้งขมทั้งหวานทั้งคืนอยู่ในในแก้วเดียวกันนั่นแหละมันะก็ดีไหมอย่างเงี้นะพอองค์บอกว่าดีนะอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับ นรกเนี่ยมันร้อนตลอดทุกตลอดอย่างเดียวเทียบกับสวรรค์สุขตลอดนะอย่างนี้จะได้สังเวกับวัตถุมากอย่างเง้นเถอะเป็นสมัยที่จะประพฤติเพื่อออกจากวัตฏะจริงๆอะถ้าไปอยู่ในที่อื่นเนี่ยยากอันะถามว่าสวรรค์เหมือนอะไรเหมือนกับว่าจัดเลี้ยงตลอดเลยนะเลี้ยงรุ่นทุกวันอย่างเงี้ยนะนั่จะเจริญสมถาวิปัสสนาอะไรเงี้ยนรกก็ร้อนทุกวันเนี่ยนะมันก็ไม่ไหวแล้วพันมนุษย์เนี่ยมันก็เนี่ยสลับพระคราวกันไปเนี่ย เรียกว่าเห็นโลกในส่วนสองทั้งในส่วนสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นก็บอกว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติอย่างแท้จริงพระองค์นี้จึงชื่นชมในความเป็นมนุษย์มากเนี่ยนะ ท, ที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แตพูดอย่างนี้ใครอ ย, อย่าเลือกเกิดยุคหน้ากันแล้วกันมนุษย์ยกหน้าเนี่ยอันตรายมากถามว่าอะไรอันตรายด้วยอะไรก็พระพุทธศาสนาน่าจะ ดูว่าเราเราจะเก่งไม่สืบทอดจนลุกถึงเหลนถึงหลานหรือเปล่าไม่ทราบนะเอายังไงยังไงก็ให้ถึงหลานบ้างก็ยังดีอยู่ไหมเหลนลกใ็ให้ลูกมันเป็นภาระเอางั <laughs> ในตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะโดยสรุปก็คือนะทบทวนเลยนะหกประการนะที่กล่าวไปอาสาทะอาทีนวะนิสารณานะผลอุบายอานัต ถ้าเราศึกษาอะไรจริงนะถ้าเราจะฝึกเจริญหกหัวข้อเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยนะแม้แต่อย่างเดียวให้นึกถึงหัวข้อหกอย่างนี้เอาไว้เห็นอะไรก็ได้เห็นลูกเห็นหลานเห็นบ้านเห็นช่องเห็นสัพผะวัตถุทั้งหลายเนี่ยนึกถึงในสิ่งนั้นมีอะไรเป็นอาสาทะนี่ข้อหนึ่งข้อสองแล้วอาทีนวะของสิ่งนั้นคืออะไรข้อสามสลัดออกจากสิ่งนั้นได้อย่างไงข้อสี่เนี่ยนะผลที่พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งเหล่านั้ น, น, นไว้อย่างไง ถ้าปฏิบัติตามนั้นมีผลยังไงแล้วจะปฏิบัติให้เข้าถึงผลอันนั้นได้ยังไงอันนั้นเป็นอุบายแล้วพระพุทธเจ้าตาักเตือนไว้ยังไงเนี่ยนะก็ระลึกถึงโอวาทของพระองค์ไว้เสมอๆนะถ้าเข้าใจขนาดนี้ก็ถือว่าสําเร็จวัตถุประสงค์ของเทศนาหาระไปข้อหนึ่งก่อนแล้วก็ในการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่เกิน6ประการนี่หรอกไม่อยู่ในข้อใดก็ข้อหนึ่ง ถ้าวินัยเนี่ยมากไปด้วยอานั์ใช่ไหมถ้าวินัยปิฎกเนี่ยมากไปด้วยอานัพถ้าพระสูสตันตปิฎกก็มากไปสอนเน้นสอนอัสสาธากับอาทีนวะถ้าพิธรรมปิฎกเน้นนิสรณะเป็นหลักเนี่ยนะเน้น น, น, นิสรณะเป็นหลักเพื่ อ, เ พ, อเพื่อไม่ให้เกาะเกี่ยวในในอุปาทานทุกชนิดในในอุปาทานขันธุทุกอย่างเนีน่ยนะเพราะนั้นถ้าถ้าจะกล่าวไปแล้วทุกสูตรในพระไตรปิฎกก็คือสอน เนี่ยหลักอยู่เนี่ยอสาธาอาทินวะนิสรณะแล้วในหลายๆสูตรเลยเนะทั้ทงในขันทวารวัชลายตนาวัชเป็นต้นพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่รู้อัสธาอาทินวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าบังผัส า, ายตนาหกบ้างพระองค์จะไม่บอกว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยรู้อัสธาอาทินวะนิสรณะของ อุปาทานขันห้าอายตนะหกมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่นนะอานเกือบมีมีเกือบทุกเล่มเนี่ยนะแต่ว่าย้อนอีกครั้งหนึ่งนะอัาธาในพระไตรปิฎกนิยมแปลว่าคุณคุณที่ไหนแปลว่าเช่นถ้ามีคำาโทษอยู่ด้วยใกล้ๆกกันนะคุณตัวหน้าหมายถึงอัศาธาเนี่ยนะนอัดของอัศาธานะนึกย้อนอีกครั้งหนึ่งอัาธาคือหนึ่งสุข 2. โ ส, สมนัส 3. กอิทธารมคือปีรูปสารูปเนี่ยนะตัณหาหาวิปัสสนถ้าที่ใดประกาศอาทีนวะขอให้รู้เธอว่าที่นั่นประกาศอาทีนวานุปัสนาซึ่งหมายถึงประกาศทุกขตาเป็นทุกขทุกเนี่ยนะสังขารทุกข์วิปริณามทุกข์ก็เท่ากับประกาศไตรลักษณ์นั่นเองเนี่ยนะประกาศความไม่เที่ยงหรือเท่ากับประกาศ ธรรมะ42อ่ะนะไม่อันิี้จะโตทุกขโตโรขโตเป็นต้นอ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากอ่ะนะก็บอกว่าถ้าใช้สับใดศัพ์หนึ่งศัพท์ที่เหลือเท่ากับแสดงไว้แล้วแต่นิยมจะบอกย่อๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าภาษารีบุตรจะมานิเทศก็เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เนี่ยก็จะโอ้มาเยอะแยะไปหมดเลย ทีนี้เมื่อได้พื้นฐาน 6, 6ความหมายมาแล้วเนี่ยนะก็มาดูถึงการเรียบเรียง เ, เรียบเรียงให้เชื่อมให้สัมพันธ์กับเรื่องอื่นต่อไปในคาถาว่าอาสาทาทีนวตาเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงนิสรณะแก่อุคติตันยูบุคคลเนี่ยนะอุคติตันยูบุคคลเนี่ยสอนให้เจริญมรรคแทงตลอดนิพพานเนี่ยนะสอนง่ายๆบรรุเลย แสดงอาทีนวะนิสรณ ะ, ะแก่วิปปัญจิตันญูบุคคลแสดงทั้งอาสาทาทาีนวะและนิสรณ ะ, ะแกะนัยยะบุคคลอันนี้สงเคราะห์คําคสอนเหล่านี้โดยบุคคลต่างๆเนี่ยนะเช่นแสดงนิสรณ ะ, ะแก่อุคติตันญูบุคคลเนี่ยนะสอนอยังไงก็สอนให้เข้าปฏิบัติให้เกิดอริยมรรคเลยอย่างเช่นกลุ่มพระอัญญาโกณทัญญะเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเภท อุคติตันยูหรือชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริษัทเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นอุคติตันยูพวกนี้จะเป็นหัวข้อจากสุเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะเป็นต้นเนี่ยซึ่งโูถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ต้องมาอธิบายซะยุ่งเลยนะอธิบายยาวมากอธิบายมากแต่ของท่านนี้ฟังแล้วก็ตรัสรู้เลยท่านบอกว่าตรัสรู้คืออภิสมัยเนี่ยนะพร้อมกับการยกหัวข้อขึ้นยกหัวข้อฟังแล้วก็บรรลุได้เลย อย่างเช่นใครอะใครที่ฟังว่าสัพเพสังขาราอนิจาติยะทาปัญญายาปาสติเนี่ยกลุ่มนี้เป็นอุคติตันญูทั้งนั้นแหละนี่แหละหรือบอกว่าถ้าใครละกามได้ผู้นั้นก็ข้ามโอฆะไปเลยเนะพวกนี้ฟังย่อๆสั้นๆแล้วบรรลุะนะอย่างกลุ่มพระพาหิยะเป็นต้นกลุ่มนี้จะเป็นพวกอุคติตันญูส่วนถ้าแสดงทั้งอาทีนวะและนิสรณะเนี่ย เป็นวิปัญจิเตณโยพวกนี้ต้องขยายความมากจึงจะฟังและบรรลุได้ส่วนถ้าทั้งอุเทศทั้งปริปุจชาทั้งโยนิสโสมนสัสการนั่งใกล้กรรัญญาณมิตรเรียนมากฟังมากพวกนี้จะบรรลุได้และพวกนี้เป็นนัยยะบุคคลพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นภาคพิสดารที่สุดสงเคราะห์เวนัยยะบุคคลคือคนที่บรรลุได้แต่ช้า น, นะฝึกได้แต่ว่าใช้เวลานานมากเนี่ยนะ พ่ออะไรพ่อหนึ่งถามหาสัพพินรียก็อ่อนเล็กเกินเนี่ยนะถามหาวีรยินรียก็อ่อนมากสเตนซียก็อ่อนสมาทินรียก็อ่อนปัญญินทรีย์ก็อ่อนแต่ก็มีอินทรีย์ที่แก่ตั้งหลายเรื่องนะทุกขินรีนี่แก่ขึ้นนิดจับคิดโน่นก็ปวดคิดนี่ก็ปวดนะทุกขินรีนี่เกิดบ่อยจักขุนซีนี่ก็ไปเรื่อยแล้วชักดูไม่ค่อยไหวแล้วนั้นแต่ว่าอินทรีย์ที่จะให้บรรลุมันไม่ค่อยแก่นะที่เรียกกลมนี้แหละเรียกว่ากลุ่มในยะบุคคล อนะสรว่าในย่บุคคลขออภัยอุคติตันญูฟังแต่หัวข้อก็บรรลุวิปัญจิตันญูต้องขยายจึงจักบรรลุส่วนในย่บุคคลก็โหเอาสารพัดแหละกว่าจะได้บรรลุเนี่ยนอย่างใครอะอย่างพระราหุลเนี่ยนะสิบสามปีจึงเป็นพระอรหันต์สิบสามปีเนี่ยบวชตั้งแต่พระพุทธเจ้าพันศาหนึ่งพระพุทธเจ้าพันศาสิบามท่านจึงบรรลุเนี่ยนะ พราบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบใช่ไไปบรรลุเป็นพระพิสุยังไม่ทันถึงพรรษานะก็คิดดูว่าสิบสามปีนะสติปัญญาขนาดนั้นเนี่ยของของเราจะเพิ่งท้อเลยของเราอนะเอาปริมาณเนี่ยเท่าพระอหุนหรือยังไม่ทราบนะเอาเอาตัวที่ตัวตัวปฏิบัตินะไม่ใช่ตัวอายุนะเอาตัวตัวปริมาณกุศลอนะ่ะอนทีนี้ต่อไปนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงต่อไปอีกว่า มีนิสรณะเป็นต้นนั้นปฏิปทามีสี่บุคคลมีสี่ลองเอาปฏิปทากับบุคคลเนี่ยมาสัมพันธ์กันดูบุคคลผู้เป็นตันหาเจริตมีปัญญาน้อยย่อมออกจากวัตตะด้วยอริยมรรคด้วยธรรมทั้งหลายที่กล่าวคือธรรมทั้งหลายกล่าวคือสติปัฏฐานด้วยสตินสีปฏิปทาลำบากแล้วก็ตรัสรูชรสร้ชาตรัสรู้ชาอันนี้หมายถึงใครในบุคคลสนัในยะบุคคล ในยะบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่เช่นตันหาจริตคําว่าตันหาจริตเนี่ยมากอัธยาศาัยมากไปด้วยโลภเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดอ่ะนะดอกไมก้ดอกเดียวดูได้ตั้งหลายนาทีอย่างเงี้ยนะีดูได้นานมากอเลยพวกนี้แหละพวกกลุ่มตันหาจริตนะดูได้นานมา ก, กานะชมโอ้โหเข้าถึงรายละเอียดได้ลึกซึ้งมากนะกลุ่มเนี่ยตันหาจริตโทสะจริตนึกไม่ออกว่าดูอะไรได้นานขนาดนั้นเนี่ย ปันพวกที่เรียกว่าโลภะเป็นอัธยาศัยฉลาดก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ติดมากเลยนะพั้นพวกนี้ต้องอาศัยสติประธานมากไปด้วยสตินีพวกนี้ทุกขาปฏิปทานและตรัสรู้ช้ามากนีปฏิบัติก็ลำบากที่ลำบากเพราะอะไรเพราะกิเลสมันสับวางเรื่อยนะกุศลไม่ค่อยต่อเลยนะกิเลสมากขั้นเรื่อยขั้นเรื่อยเจริญมิปัสนาไปหน่อยเนี่ยนะราคะเอาไปกลุ่มรวมทั้งหมด เพรนพวกโลภัธยาใัยเนี่ยอัธยาใัยมากไปด้วยโลภะเนี่ยจะต้องเจริญสติปัฏฐานสถ้าว่าให้ตรงนะสติปัฏฐานจะเหมาะกับเขาที่สุดคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานพวกนี้ต้องมากไปด้วยการเจริญอสุภะให้มาก <c oughs> ส่วนบุคคลที่สองนะคือบุคคลผู้เป็นตัญหาจริตมีปัญญามากออกจากวัตฏะด้วยอริยมรรคด้วยธรรมะที่อาศัยทั้งหลายกล่าวคือฌาน ด้วยสมาธินีปฏิปทาอันลำบากตรั ส, สรู้เร็วพวกนี้วิปนะปัญจิตันยูนะอันนี้วิปปัญจิตันยูถามว่าเอามาจากไหนเอามาจากอัตกถาบ้างเอามาจากดีกาบ้างอนะมาประกอบให้นะเพราะนั <c> ้น <oughs> พวกที่เป็นตันหาจริตมีปัญญามากเนี่ยนะอันนี้ปฏิบัติลำบากกันนะแต่ว่าบรรลุง่ายอาศัยฌานอาศัยสมาธิดีเนี่ยนะนะก็สามารถบรรลุเร็วตัวนี้ก็กลุ่มวิปปัญจิตันยู อสําหรับพวกวิปจิตันยูนะครับบอกว่าอาศัยอที่อาศัยธรรมที่อาศัยทั้งหลายก็คือฌานนะครับหรือบางคนอาจจะแปลกใจว่าเอาแล้วไม่ได้เจริญสติปัฏฐานด้วยหรือเพราะว่าพวกเนยยะนี่ก็อาศัยธรรมะที่บรนที่อาศัยคือสติปัฏฐานใช่ไหมครับอันนี้เรามาเน้นนะ่ะยิ่งด้วยอินทรีย์อันไหนเนะี่ยก็อินทรีย์อันไหนที่เขาขาด ถ้าเป็นบุคคลสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เขามีหลายเรื่องและเขาขาดเป็นอย่างๆไปเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็สามารถที่จะบรรลุได้แล้วซึ่งต่างจากยุคนี้ขาดเกือบทุกเรื่องนี่ไงนะสมมุติถ้าเป็นแบบโบราณเลยนะเขามีเครื่องไม้ไว้เต็มไปหมดพระพุทธเจ้ามาถึงก็บอกวิธีประกอบสร้างบ้านขาดอะไรก็ซื้อเพิ่มให้นิ่ๆหน่อยๆก็สร้างได้เลยเป็นบ้านเรียบร้อยแล้วอยู่ได้สบาย ของเราเนี่ยมันก็ต้องมาโหนี่ไม้เนี่ยตัวไม้มันเป็นอย่างนี้นะก็มาหาตัวไม้ประกอบให้ทุกเรื่องนะทุกกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาขาดเป็นบางอย่างเท่านั้นเองเขาไม่ได้ขาดทุกเรื่องนะนะซึ่งอันนี้ต่างจากยุคนี้มากแต่เอา ย, ยุคหน้าบ้างนะเราจะต้องมีมีไว้ยเยอะแล้วนะทีนี้พวกที่ถีตเจริตทั้งหลายเนี่ยนะ พวกทิฏิเจริญที่มีปัญญาน้อยออกจากวัตตาด้วยอริยมรดด้วยธรรมะที่อาศัยทั้งหลายกล่าวคือสัมมาประธานด้วยวิริยินทร์สี่ปฏิประธา น, นสบายแต่ก็ตรัสรู้ช้านะจริงๆต้องตรสปฏิประธาลําบากสินะโอเคขอคับถูก้องปฏิประธาสบายแต่ว่าตรัสรู้ช้านะนะ่ะพวกนี้เป็นวิปัญจิตันยูอีกเหมือนกัน ทิฏฐิจริตไม่ค่อยฉลาดมากก็ด้วยความเพียนเนี่ยถามว่าบุคคลกลุ่มนี้พิจารณาอะไรสติปัฏฐานเป็นประเภทจิตตานุปนัสสนานะเหมาะกับจิตตานุปัสนาส่วนบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตมีปัญญามากออกจากวัตฏะด้วยอริยมรดุด้วยธรรมะที่อาศัยทั้งหลายกล่าวคือสัจจะด้วยปัญญีสีปฏิปทาอันสบายและตรัสรู้เร็วพวกนี้เป็นอุคติตันยูเนี่ย ข้อหนึ่งนะพวกสตินซีเนี่ยนะอันนี้นัยะบุคคลข้อสองข้อสามเป็นวิปัญจิตันยูข้อสี่ก็เป็นอุคติตันยูบางคนก็ถามเอาข้อมาจากไหนง่ายนิดเดียวก็เขียนขึ้นมันก็เป็นข้อแล้วนะดินสอติ๊กติก๊เขียนหนึ่งสองสา ม, มก็สี่มันก็ได้สี่ข้อแล้วเขียนเองก็ได้นะเขาไม่พิมพ์ให้อ่านะทีนี้ถ้าย่อมานะสรุปวาจิริตมีสอง คือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตทีนี้ยะตัณหาจริตทิฏฐิจริตก็แบ่งออกเป็น2คืออย่างอ่อนกับอย่างแก่อย่างอ่อนก็คือพวกปัญญาน้อยอย่างแก่ก็คือปัญญามากแล้วก็ออกด้วยอริยมรรคข้อปฏิบัติข้อหนึ่งก็สติฐาน2ก็ฌานสามสัมประธาน4ีสัจจะอินทรีย์ก็แตกต่างกันนะข้อหนึ่งก็สตินทรีข้อ2สมาทรียข้อสาม วริยินทรีข้อสี่ก็ปัญญินทรีปฏิปทาก็ปฏิปทาสีซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะจริงๆแล้วเขียนตารางได้นะแต่ให้เราไปฝึกเขียนตารางให้เป็นนะเขียนตารางแล้วจะมองออกง่ายมากในในข้อหกนี่นะนะข้อหกให้ไปทําตารางกันนะแล้วส่งอาจารย์สันติเขียนถูกหรือเปล่าดัจารย์สันติจะตรวจให้เนี่ยนะทําเป็นตารางได้สบายมากนะเขียนไม่ยากด้วยคือเขียนยังไงเขียนจริต เขียนว่าน้อยกับมากเกี่ยวเรื่องปัญญานะแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดอินซี C, แล้วก็เขียนปฏิปทาก็จะเห็นเป็นข้ อ, ขอแล้วก็ดูไปตามนั้นแล้วก็น่าจะตรวจสอบเพรของเรานี้จะ ต, ต้องใช้อินซีไหนทั้งใส่สี่อินซีหมดเลยนะนั <c oughs> ่นบอกว่ายอ่อย่อมานะเอาเฉพาะหัวข้อคือจิตมากล่าวว่าตันหาจริตบุคคลทั้งสองออกจากวัตฏะด้วยเจโตวิมุตติ เร่องอัตถกาถาให้กล่าวว่าอนาคามีผลสมาบัติอันเป็นเหตุสํารอกราคะเมวยวิปัสนาอันมีสมถะเป็นประธานคือเจริญสมถะก่อนวิปัสนาตามหลังเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นเป็นกลุ่มสายสมาธิอ่ะนะเน้นสมาธิเป็นนําหน้าตอนหลังก็อบรมวิปัสนาก็บรรลุเป็นพระอริยะเพคําว่าเจโตวิมุตต์อันนี้เน้นไปที่พระอนาคามี อนะเพราะพรานาคามีนี้สำรอกราคะในในวัตถุกามได้หมดเลยแต่พระอรหันต์ก็สำรอกแบบกามชั้นสูงอะนะที่เป็นระดับสมถะพิปัสนาเนี่ยที่ิจริตบุคคลทั้งสองเนี่ยนะย่อมออกจากวัตตัด้วยปัญญาวิมุตตปัญญาวิมุตตนี้หมายถึงอรหัน ต, ตผลปัญญาต่อจากวงเล็บเนี่ยเขาพิมพ์ตกไปตกคําว่า อันเป็นเหตุสํารอกอวิชชาโน้ตเพิ่มหน่อยนะอันนี้ตกจริงจริงหม่ยนะว่าออกจากวัตตะด้วยปัญญาวิมุตคืออรหัตผลปัญญาเนี่ยนะแล้วก็เขียนเพิ่มว่าอันเป็นเหตุสํารอกอวิชชาเพิ่มว่าอันเป็นเหตุสํารอกอวิชชาตรงเนี้ยตกไป <c oughs> พราข้างบนนี่สํารอกตัณหาใช่ไหมข้างบนนี่สํารอกราคะข้างล่างก็ต้องสํารอกอวิชชา ด้วยสมาธิอันมีวิปัสนาเนี่ยเป็นประธานคือพวกตัณหาจริตเนี่ยนะต้องสมถะาก่อนแล้วจึงค่อยวิปัสนาพวกทิฏฐิจริตเนี่ยวิปัสสาก่อนแล้วสมาธิตามเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มเนี่ยนะ